بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين والغدوان ل إلا على الظالمين أوصلي أسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ภ ي ยห ن ت งที ي ไ ت ب หยุดไปประมาณเกือเดือน ได้มีโอกาสมามาเริ่มต้นใหม่ในสุรัส ต, ตวบะ่ะไอ้ยาสามสบเอดกับสามสิบสองที่ผ่านมาแล้วเราได้พูดถึงแผนของลอสซุมปาโนวตาละที่จะเหนือแผนทุกแผน وَيَأْبَ اللَّهُ إلَّا أ َ ي ُ ت م َّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ و ا ل ذ ي ي ر س ل ر س و ل ه ب ا ل أ د ى و د ي ن ا ل ح ق ّ ل ي ظ ه ر ه ع ل ى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ سَنَّهَا س ُ ل ُ ا ل ب ق ْ سَنَّهَا كُلُّهُمْ เป็นเนื้อหาที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะกลาจะตอบย้ําในในหลายสุราให้ผู้สถานได้ตรนักถึงสถานะของศาสนาอิสลามาในเมื่อเป็นศาสนาสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะกลาจะให้เป็นศาสนาประจัมมนุษเซชาติไม่มีละ หลังจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละไม่มีวะฮิยูไม่มีศาสนทูต ล, ละซึ่งการที่ไม่มีศาสนทูตห ล, ลังท่านนบีมุฮัมมัดนี่เป็นมยอดิจจต์อีกอย่างหนึ่งนะคือพันสี่ร้อยปีเนี่ยไม่พบศาสนทูตที่มีคําสั่งสอนที่สอดคล้องกับคําสัสส่งสอนในยุคกอ่อนยุคก่อนนี่เราจะสังเกตว่าคือ อย่างนานที่สุดนี่ระหว่างท่านนบีอิสสกับท่านนบีมุฮัมมัดนี่หกร้อยปีถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่มาแอบอ้างว่าเป็นศาสนทูตแต่สิ่งที่เขานํามามันไม่เข้าท่ามูเซ่และมอร์กอสแบนี่ที่มาอ้างว่าเป็นเป็นรัชสูรแล้วนะคนเขาฟังกุณอ่านของมูเซและมาร์แล้วก็คขำขำฟังแล้วขำขำอ่ะพอเทียบแล้วกับคําสั่งสอนที่มาจากพระเป็นเจ้านี่มันก็คนละเรื่อง น400กว่าปีแล้วเนี่ยไม่มีศาสนาไม่มีคำสั่งสอนไม่มีวัคยูเทียบได้กับอัลกุรอานในด้านอิทธิพลในด้านในด้านผลลัพธ์และผลประโยชน์ที่เกิดกับมนุษย์ซึ่งเหตุผลที่จะให้อิสลามเนี่ย เป็นศาสนาที่มนุษยชาติทุกคนควรที่จะพิจารณาเป็นพิเศษพอเรา Allah เปิดกว้างทุกคนเนี่ยสามารถศึกษาจะศึกษาคนศึกษาดิแต่ต้องตรวจสอบเรียนรู้บางคนใช้ชีวิตชั่วชีวิตอย่างเซลมาร์ันเฟรซี่นี่เกือบแปดสิบเปอร์เซ็ของชีวิตเนี่ยแสวงหาความจริงและศักดิจนจนมารับอิสลามบั้นปลายชีวิต สมันเฟรเซีนีอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าอายุไขของท่านเนี่ยทัศนาของนักประวัติศาสตร์ที่น้อยที่สุดนาทีเขาบอกว่าน้อยสุดเนี่ยร้อยห้าิบที่สูงที่สุดเนี่ยสามร้อยสมรอปีนะนี่มาเมซาบีได้ระบอกว่าอย่างหนังสือเซียร่าแลนดูเป็นอะไซึ่งมีความเป็นไปได้ในคนรุ่นก่อนนั่นนะไม่กินบะหมี่สาเร็จรูปไงไม่กินน้ําอัดลม เขาก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตยาวนานเ อ, อ่อซัลมาอัลฟาริซีนีกลายเป็นผู้ศรัทธาคนชั้นนำทั้งดั้งดีเขามารับอิสลามบ้านปลาชีวิตของเขาค้นหาสัจธรรมตอลอดชีวิตเนี่ยไม่ไม่เป็นไม่เป็นความผิดสำหรับพระเป็นเจ้าเราเปิดให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยและใช้เวลาเต็มที่นะ เราจะไมอัลลอฮ์ไม่ไม่เคยตำหนิใครที่ใครที่จะรับอิสลามบั้นปลายชีวิตเนี่ยว่าทำไมเช็คชาป่านนี้แล้วปูนี้แล้วเราจะมารับอิสลามไม่มีการตําหนิใดๆแสดงว่าจะใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ความจริงและศัตธรรมเนี่ยอันนี้เราไม่ตําหนิเนื่องจากว่าอิสลามนี่ไม่ได้เป็นศาสนาของคนคนเดียวหรือ กลุ่มเดียวหรือหรือโซนเดียวในโลกนี้ไหมศา ส, สนาของโลกของโลกทั้งหมดฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีโอกาสเต็มที่โอกาสถ้าเป็นโอกาสในการไต่ตองในการศึกษาเรียนรู้อิสลามแบบศึกษาเป็นกลุ่มซึ่งอะเรชธรรมตะวันตกเนี่เขาได้เปรียบมากกว่ามากกว่าคนอื่นเพราะผลงานของ คนที่ศึกษาอิสลามเนี่ยมันเป็นผลงานต่อเนื่องความรู้ของของชาวตะวันตกนี่เขาจะไม่ปฏิเสธความรู้ของคนคนรุ่นก่อนเขาก็เขาก็จะสะสมจะถือว่าความรู้สะสมนี่มีประโยชน์แล้วคนที่มาเรียนรู้ที่หลังเนี่ยเขาจะไม่ไม่มองข้ามคนที่ศึกษามามาก่อน วัฒนธรรมตะวันตกได้ใช้เวลายาวนานตั้งสมัยสงครามโคเี่เขาก็เรียนรู้ซึ่งปราฏแลวก็แม้กระทั่งบาดหลวงที่เขาเคยศึกษาอิสลาม เ, เพื่อจะได้ตั้หนิอิสลามนะเขาก็ยังมีบางคนก็ยังมีความยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะกล้าที่จะพูดถึงจุดแข็งของอิสลามอะไร เรื่องนี้ปรากฏว่ามันได้ผลคนที่เคยพูดว่าอ๋ออิสลามไม่ดีอย่างงี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้แต่มีจุดแข็งตรงนี้คือคนาได้กลัวเออตำหนิไปแล้วกูตําหนิไปแล้วนี่เก้าซแล้วก็สิบเปอร์เซ็นพูดเรื่องดีก็คงไม่มีประโยชน์หรอกไม่ปรากฏว่าจุดแข็งเนี่ยเขาพูดมาประมาณหกร้อปีเจ็ดร้อปีเนี่ยพมันสะสมมาสะสมมาแต่ละคนเนี่ยได้พูดจุดแข็งที่ไม่เหมือนกัน พรมาะมาในยุคนี้เนี่ยคนที่เขาได้ได้เรียนรู้จุดแข็งต่างๆี่สามารถที่จะสร้างามาหาภาพของอิสลามเนี่ยที่มีแต่จุดแข็งและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อรรถสุภานุกาตาละได้จัดสรรไว้สาหรับสำหรับคนที่มีความมิติธรรมมีมีความตรงไปตรงมากับความจริงกับความถูกต้อง ทุกคนนะครับถ้าจิตใจของเขาเนี่ยมีความสงบมีความสันติสุขในตัวเขานะหมายถึงว่าจิตใจเขาเนี่ยไม่มีความขัดแย้งภายในภายในของเขาเนี่ยมีความสงบมีความมีความหนักแน่นคนเหล่านี้เนี่ยจะได้เปรียบในการที่จะเข้าถึงสัจธรรมมากกว่ามากกว่าคนที่จิตใจของเขาเนี่ย สับสนมีความขัดแยง้งไม่มีความสงบสังเกตได้เลยในเวลาเราจิตใจของเราเนี่ยถ้าถ้าเราสงบเนี่ยแล้วก็เรามองเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยเราจะมองมันปโปร่งใสเราสามารถวิจารณ์ได้อย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้าหากว่าเรามองถึงสถานการณ์ด้วยจิตใจที่มันมันอึดอัดมันมันมีความแค้นความอาฆาตความไม่ปกติแน่นอน ข้อตัดสินของเรานี่มันก็จะมีความลำเอียงบ้างอัลลอฮสุบไพรนบูรจาเลยถัาหลังจากนี้บ่กอิสลามมี่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะทำให้คนไม่สามารถมองถึงคุณสมบัติของอิสลามในฐานะที่เป็นศาสนาแห่งศัจธรรมและก็เป็นศาสนาสุดท้ายสิ่งที่จะมันเป็นกาแพงขัดขวางระหว่างผู้คนกับศาสนาที่ถูกต้อง ก็คือคนที่มีหน้าที่ในการอาธิบายและสอนสั่งสอนเรื่องของศาสนาก็คือบรรดาปราชญ์นักศาสนาบัตรหลวงนักบวชคนเหล่านี้ในจิตใจของในความสำนึกของคนสามัญชนเนี่ยเป็นที่พึ่งในเรื่องศาสนา 90% หรือมากกว่านั้นนะมุนทั่วไปนถ้าจะตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดของศาสนาเนี่ยก็ต้องไปถามนักศาสนาแต่จ ะ, จะคิดเองตรวจสอบเองมันค่อนข้างยากด้วยเหตุว่าคนส่วนมากนี่ก็ไม่ไดเรียนศาสนาด้วยตัวเองคนส่วนมากก็ไม่ไดเรียนศาสนาด้วยตัวเองถ้าอยากจะรู้เรื่องเรื่องราวของศาสนา ก็ไปถามคนที่มีความรู้เรื่องศาสนาแล้วคนที่มีความรู้เรื่องศาสนานี่ถ้าเขาตรงไปตรงมานะเขาก็จะชี้นําสู่แนวทางที่ถูกต้องเพื่อนบ้านท่านอบดุลอฮฺสัลลัลลอฮฺเสาะเลี้มเป็นชาวยิวเราก็ทราบกันว่าในมาดีน่าในชาวยิวส่วนมากในชาวยิวก็จะอยู่กันในหมู่บ้าน มู่บ้านบน้านก็ยนุก็หมู่บ้านบน้านนนดีิร์มู่บ้านบน้านกูรไรซะแต่เจมีชาวเยว <c oughs> บางคน <c oughs> ที่จะอยู่ในเมืองอ่ะมีบางคนก็สร้างบ้านอยู่ที่มาดีนนะใกล้เมซินนบีนบีก็ถือโอกาสไปเยี่ยม บ, บ่อยจนครั้งหนึ่งไปเยี่ยมเขาเนี่ยปรากฏว่าลูกชายเขาเนี่ยป่วยป่วยหนะัก ลูกชายเจ้าอยู่คุณป่วยหนัยิวคือยิวมีปัญหากันนบนบีมาโดยตลอดมาโดยตลอดตั้งแต่น บ, บีมามาดีน่าแต่ก่อนต้องยิวเป็นใหญ่ยิวยิวเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนตู้เข้าเข้าอะไรชอะไรนะพวกตู้เห่าเหมือนตู้เห่าอิทธิพลล้นฟ้า พอนบีมาแล้วนี่ขายอาวุธก็ไม่ได้พวกทมพวกชาวอังซอรนี่อาวุละคาซัสที่เคยที่เคยเป็นเป็นลูกค้าของยิวทําสงครามกันร้อยกว่าปีนะโอ้โหนี่ยิวเสือกินน้อนอย่างเดียวเนี่ยขายอาวุธให้สองสองฝ่ายเลยนะขายอาวุธก็ไม่ได้แล้วมาแดอกเบีย้ยห้ามกินดอกเบีย้ยเอา งานกูแท้ๆเร่ดอกเบีย้ยไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีเห็นว่าคนที่คัดค้านศาสนาเนี่ส่วนมากนะไม่ได้คัดค้านศาสนาในพรืองอกิดะไม่ใช่ส่วนมากในเรื่องผลประโยชน์ทังกกนน้งสินส้นยูมีปัญหากันแสดงว่าเขามีอคาิกัานนา้งนั้น เพื่อนบ้านของท่านนาบีก็อยู่กับ น, นบีมาโดยตลอดตั้งแต่า น, นาบีมามาดีนาเนี่ก็ทักทายกันนบีก็ดาว่าให้รับอิสลามมาโดยตลอดก็ไม่รับอิสลามลูกชายเขาเนี่พอนั่งไปเยี่ยมนี่พ่อลูกชายเขาเนี่ป่วยหนักใกล้จะตายแล้วะนบีก็เลยเชิญชวนให้ลูกชายนี่รับอิสลามลูกชายไม่ก็เขาคารวาเาวาขาเคยเกลียดพ่อเขาอยู่แล้วเนี่ยก็มองหน้าพ่อ เอายังไงนีพ่อเขาเนี่ยบอกว่าอแ้งอับดุลกอสิมเชื่อฟังยูเนี่ยเขาจะไม่เรียกนบีว่าเป็นนบีไงเขาจะเรียกเป็นนบีเอาแล้วก็ทำไมไม่ไม่รับล่ะเขาไม่เรียกเขาเรียกชื่อนบีในมีฉายอับดุลกอสิมแล้วก็ชื่อมุฮัมหมัดอาหรับด้วยกันแล้วยูต่อกรณ์นุนเขาก็ถือในวัานธรทำอาหรับเนี่ย อา랍ด้วยกันเวลาให้เกียรติใครเนี่ยก็จะเรียกด้วยฉายะอบูเนี่ยอับูอับุลกาสิมกาสิมลูกชายของท่านนบีคนแรกก็เลยบอกกับลูกว่าอาตย์อับุลกาสิมเชื่ฟังอับุลกาสิมไมได้ม่เชื่อฟังนบีนี่คือปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้คนหลายคนน่ยนะจะเป็นนักศาสนาหรือไม่ใช่นักศาสนาทาให้เขาเนี่ยตรงไปตรงมากับความจริงนั่นคือความตาย ความตายนี่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสลายตัวเงินทรัพย์สิสนอํานาจบา ร, รมีอะไรต่างมันสลายตัวเหลือแต่ความจริงและสัจธรรมทําไมคนคนใกล้ตายนี่ตลอดชีวิตนี่นะขี้เหนียวแต่ใกล้ตายนี่ทําบุญทําบุญทําบุญทำบุญทําไมอ่ะเพราะรู้เนี่ยมันรู้แล้วเนี่ว่าเงินเงินที่เก็บไว้นี่จะขี้เหนียวเอาไปทําอะไรตายแล้วจะเอาไปทําอะไร ไม่ได้ประโยชน์ทำบุญทำบุญทำบุญเพราะความตายนี่นี่ขณะคนยังไม่ตายนะแต่ใกล้จะตายแล้วรู้ว่าจะตายแล้วทํทำให้เขาเนี่ยเห็นความจริงและสัตธรรมและสิ่งที่ทำให้ปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยยิ่งไม่เห็นความจริงและสัตธรรมผมกาลังบอกว่าทำอะไรที่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นว่าอิสลามเนี่ยคือศัตธรรมสิ่งที่ทำให้คนเนี่ย ไม่มองเห็นสัจธรรมนี่ก็คือทรัพย์สินเงินทองมีคือความสัจจริงที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะดารัตะแม่กระทั่งแม่กระทั่งคนที่ควรที่จะรู้รู้ข้อที่จริงของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือนักศาสนาคนที่เรียนรู้ศาสนานั่นก็หนีไม่พ้นว่าทรัพย์สินนี่มันสามารถทําลายความสวยงามความสัจจริง ของคำสั่งสอนของศาสนาและนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้อิสลามถูกขัดขวางด้วยคำพูดด้วยคำวิจารณ์ของคนที่ไม่ซื่อตรงไม่ตรงไปตรงมาเพราะอะไรอ่ะเพราะคาดหวังในทรัพย์สินมากกว่าการคาดหวังในผลละบุญในการตอบแทนเทียนลอสุภาโนวดาเราจะตอบแทนคนที่ยมั่นในศาสนา หลังจากที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงว่าอิสลามนี่เป็นศาสนาเหนือกว่าทุกศาสนาในจัตธรรมเนี่ยอัลลอ์ก็จะพูดถึงสิ่งที่จะขัดขวางคนไม่ให้เห็นภาพจริงของอิสลามเนี่ยใครอินนาะยาห์สามสสี่สามสิบสี่นี่อัลลฮลได้บอกว่าอียายุฮลลดีนอาเมนอินน์คีธีร์มินอัลอบบาร ผมอดทนอดทนเยอะเลยนะหนึ่งไอเนี่ยขอให้พี่น้องอดทนด้วยนะอย่ารำคาญผมเือว่าเหมือนไม้เก่าแล้วกันไม้เก่าผมเสียงมันอย่างนี้แหละอย่าอิยาห์เหล่านั้น ثير من ا ل อั ا ل า و ل วรุหบานเล ل ยคุลูน ل ามุลนัสบ باط ل วยัดดูนั่งเศฟ ل ลลาห์เหล่านั้ ن เอคิซูนั้งห ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر بعذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ا و بندا بوستا دملاه إن كثيرا من الأحبار والربان تأتي جمّلٌ مالٍ من ب ن ا ك ّ ب ر ت ل ب ا د ل َُ ن َ ن َ ا يَكُونُ م و ا ل الناس ف الباطلِ ن سبّ َ إن سب ب ر ش ا ن ب ب ا ط ل لا يمشون و س ب ي الله لقطع ق و ا ُ و َ ي ْ أ َ و َ الْجَنَّةَ وَالْجَنَّةُ ِ ي َ ا ل َّْ ة ُ ل ْ م َ ن ْ ك َ ر َ ة وَالْجَنَّةُ الْجَنَّةُ ا ْ م َ ن ْ ك ُ و َ ا ل َْ ن َّ ة ُ ا ل َّ ة ُ ا ل ْ م َ ن ْ ك َ ر ُ و َ ا ل ْ ج َ ن َّ ة ا ل َّْ ة ل َ ن َُْ و ََُْ ل َ ن ََْْ ن ْ ج ا ل َََ وَالْ ไม่ใช้ใจ่ายเงินทองเนี่ยในทางของอัลลอ์นั้นฟาเบชิรุมจงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาเถิดมีอาณาเอนอลีมด้วยการลงโทษอันเจ็บปวดอธิบายละเอียดนิดหนึ่งข้อผูกพรรันระหว่างอายะนี้อายะห์สามสิบสี่กับอายะห์สามสิบ็ดสิบสองสามสิบสองสสาม สา3สิบบอาพูดถึงเรื่องเรื่องอิสลามเนืยกว่าทุกศาสนาเลาเราสภานวตาลให้ศาสนาเป็นศาสนาสุดท้ายแทบจะไม่มีโอกาสที่จะเทียบได้ระหว่างศาสนาอื่นกับศาสนาอิสลามสำหรับคนที่ตรงไปตรงมามีความสั์จริงในตัวเองถ้ามันจะมีสิ่งที่ขัดขวางไงใครอะตัวดีลเลยนะ ก็คือคนที่แอบอ้างศาสนานั่นเองอัลลอฮฺจึงบอกให้ผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาตรงนี้เนี่ยผู้ศรัทธาจริงที่ศรัทธาแล้วนะหรือผู้ที่กำลังแสวงหาความศรัทธาสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ศรัทธาเรามาเนียกับแม่อติบาริลมาอลมองถึงอนาคตว่าเขาเนี่ยเป็นคนต้องการความจริงเขาไม่มี เขาไม่มีความคิดทรยุศศัจตรูใจเขาเนี่ยถ้าเจอความจริงนะนาคว้าเลยแึงอุลามาได้บอกว่าคนที่กาลังศึกษาศึกษาศัตรูใจเขาเนี่ยบอกว่าถ้าพบศัตรูธรรมนี่เขาเขาคว้าศัตรูธรรมแน่นอนถ้าเสียชีวิตตอนนั้นล่ะเออยังไม่ได้รับอิสลามนะเสียชีวิตตอนนั้นล่ะ สถานะของเขาในสายตาของคนทั่วไปน่าจะถือว่าไม่ใช่มุสลิมเสียชีวิแต่ท่านไม่ใช่มุสลิมกระทิ้งเขายังไม่ได้ประกาศอิสลามแต่ในสายตขาของเรา سبحانه และก็ด म, าล่แน่นอนไม่เหมือนกันจะจะถือเหมือนได้ไงอ่ะคนคนเขบอกว่าฉันเนี่ยต้องการความจริงแล้วถ้าฉันเจอความจริงเนี่ยฉันจะคว้าเลยเอาแล้วที่ตัวเองเป็นน่ยไม่ยังไม่แน่นอนยังไม่ชัวร์ฉันกาลังศึกษาอยู่เนี่ย จะให้เทียบคนนี้กับคนนี้คนที่ถือว่ากูฟอรของเขาการปฏิเสธสัจธารมเขาอนี้คือความจริงสัจธรรมนี้เขาต้องยึดมั่นตลอดชีวิตสู้ตลอดชีวิตจะเทียบกันได้เหรอเพราะในสายตาของผู้คนนี่คนนี้กับกาเฟทคนนี้กับกาเฟทแต่ในสายตาของเราจะเท่าเทียมกันได้เหรอเปไม่ได้คนนี้กําลังค้นหาความจริงและสัจธรรมี่ในสายตาของอัลลอฮ์เนี่ยในสายตาของผู้คนนี่เป็นกาเฟทใช่ไหมแต่ในสายตาของอัลลอฮ์อิบราฮิมาอูดาล่านี่ วันเกียรมาเนี่ยเขาจะจะสอบพิเศษนิดหนึ่งพิเศษกว่าคนอื่นนะสอบสอบนิดหนึ่งแต่ได้รู้ขวว่าความจริงแลจะสัจธรรมคือไม่ไม่ฟื้นฟูวันเกียม์มาจะไม่ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธายอย่างสิ้นเชิงนะหมายถึงว่าถ้ากาเฟสเสียชีวิตแล้วนวันเกียร์มาไม่มีสอบสวนแล้วนะว่าเออเองเป็นกาเฟสหรือไม่ไดเป็นไม่มีนะก็คือถือว่าเป็นกาเฟสแล้วนะ ก็ได้ให้โอกาสแล้วในโลกดุญญนยาใ้ในการนี่จะแต่อตองตอตองศึกษาเรียนรู้แต่ไม่ได้ยืนยันมาโดยตลอดซึ่งโอกาสของคนเหล่านี้คนที่เขาอยู่ตลอดชีวิตเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาในสายตาของมนุษย์เนี่ยโอกาสที่เขาอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะมีไม่น้อย คนที่ปฏิสัทธาโอกาสที่ลึกๆในใจเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กําลังค้นหาความจริงสัจธรรมไม่ได้ยินยอมในการปฏิสทธาร้อยเปอร์ซไม่ได้ยินยอมในพฤติกรรมของการปฏิสทธาร้อยเปอร์เซ็นตหรับคนที่เป็นการ์ในสัทธาสายาสายตาคนทั่วไปเนี่มีจํานวนไม่น้อยและด้วยเหตุนี้ أهل السنة والجماعة นี่วันเง่ลานักตั้งอยู่เลยอะห์ดินบิจันต์น์ว่าเราจะไม่เด็ดขาดฟันธงสาหรับใครเลยว่าเขาเป็นชาวโลกหรือชาวสวรรค์แม้กระทั่งมุสลิมแท้ๆนจะไม่ฟันธงว่าเป็นชาวสวรรค์ใช่แม้กระทั่งาทแท้นี่จะไม่ฟันธงว่าเป็นชาวโกใช่ไม่ฟันธงแต่เราจะพูด เป็นสมการทั่วไปไม่ไม่ลงนามไม่ลงรลายละเอียดผู้ใดเป็นผู้บริสุทธิ์ท่าอัลลอฮฺจะลงโทษในรกตลอดกาลอันนี้หลักการทั่วไปแต่เราจะไม่ลงทุนนายคนนี้เป็นชาวนรกตลอดกาลอันนี้เราอันดัุดเราจะมาห้ามพูดอย่างนี้เป็นอย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าเราเชื่อเชื่อตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยร้อปนตะว่าเขาเสียชีวิตในทานที่เป็นกาเฟสนะ แต่ใจแต่ละคนนะ่ยมีใครสามารถรู้ได้อใจใจ AI ก็ยังไม่รู้เลยใจของแต่ละคนนันะยิ่งใจเขาเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตไปเยียกวา่าดังจะไปนิทิศทางไหนนี่มีใครรู้ไม่มีใครรู้และในเมื่ออัลลอ์รับการกลับเนื้อกลับตัวของผู้คนก่อนที่วิญญาณจะถึง ลกกระเดือก <icana>, มาลอยู่กรก่อนที่จะมีเสียงก็ก็ก็ก็ก่อนที่วิญญาณจะออกนี่พทะตัวบัตตัวนี้เอารับแสดงว่าก่อนที่จะเสียชีวิตชั่วข้าวนี่ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและเราจะสามารถฟันธงได้ไงว่าเขาเสียชีวิตในฐานะที่เป็นชาวนรกสิ่งนี้ทำให้เราเนี่เจ็บใจมากว่า กสาเตที่คนส่วนมากนี่ลังเลใจและถูกขัดขวางไม่กล้าหานกับความจริงและสัจธรรมไม่กล้าก็คือนักศาสนานั่นเองเลาจึงเปลืองผศรัทธาทั้งสองประเภทนะประเภทที่ศรัทธาแล้วร้อยเป็และประเภทที่กำลังลังเลใจอยู่เลาอย่างถือว่าเขาเนี่ย ในบ้านปลายนี <one> ่อาจจะเป็นวุสิธก็ได uh ้เตือนบอกว่าให้รเพิงรู้นะอินใน كثيرا من الأحبار والروبان จำนวนมาก كثير นจานวนมาก من ا ل أ บ ب ا ر و ا ل ر و ب ن ในบรรดานักปรารและบาดหลวงมีคำนิยามในหลักการศาสนาในคุรานในภาษาอังกฤษอับบารในูรู้ปรารมักจะเรียก นักศาสนาของชาวยิวเนี่ยเรียกว่าอาบาร์เพราะพวกนี้เขาก็จะขยันขยันศึกษาเรียนรู้มากกว่าแน่นอนว่าคัมภีร์เขาเนี่ยเป็นคนรุ่นก่อนรุ่นเก่าแก่ที่สุดคนที้เริ่คัมภีร์เก่าแก่ที่สุดแต่ตวร้าตวรานี่แตชาวคริสตชาวคริสตอันนับเนี่ยเขาจะเรียก เขาใช้ได้คำพีเก่าแต่ไทยบ้านราวันแ้าคริสองไทยเนี่ยคำพีคพีดั้งเดิมคำพีเดิมหมายถึงเมื่อคำพีก่อนที่มาก่อนและในวัฒนธรรมของชาวตะวันตกและชาวอาหรับเนี่ยเขาก็จะมองว่านักศาสนาของยูเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลาที่มีความรู้เลือดอับบาสตรงนี้ก็หมายถึงว่าปลาของยวอับบา ศา ส, สนาคริสต์เนี่ยตั้งแต่เริ่มมันไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องความรู้มากนะักแต่ใส่ใจในเรื่องปฏิบัติธรรมดังนั้นก็จะศาสนายูเนี่ยไม่มีบวชแต่ศาสนาคริสต์มีเรื่องบวชบวชของศาสนาคริสต์นี่ก็คือก็คือตัดข้อผูกพันกับโลกแลนะ้นไปอยู่ในไปอยู่ในโบสถ์อย่างเดียวไม่แต่งงานไม่อะไรเลย ล้วทำอะไรปฏิบัติธรรมไม่ใช่ศึกษานะปฏิบัติธรรมละหมาดรลึกถึงพระเจ้าปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยเขาเรียกว่รบานรบานี่พุทธของรุบานราหิบภาวพุทธของอบาร์ฮับหรืฮิร์เนีบาร์ละรุบานนี่ก็คือนักศาสนาของของยวและกัคริส นักศาสนาของมุสลิม嘛เพราะบางกรณีซูฟีอนอัลเอรีได้บอกว่านักศาสนาอิสลามนถ้าเป็นคนที่เน้นเรื่องความรู้เน้นเรื่องความรู้ละหลงก็จะคล้ายๆนักศาสนาของยิวนักศาสนาหนอิสลามจะเป็นเน้นเรื่องอิบัตานเน้นเรื่องอิบัตานไม่ยสนใจเรื่องความรู้ และหลงนะก็จะคล้ายๆบาดหลวงของนสรเพราะมีในแนวทางศาสนานคนที่หลงเพราะมีความรู้หล ง, ท, งทั้งทั้งดีมีความรู้นีก่ก็ระดับระดับคนที่มีความรู้แล้วก็หลงมีไหมมีอันนี้คล้ายๆอยู่ แล้ก็หลงทั้งนั้นที่ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติธรรมที่อิสติฮัดขยันทํำอิบานะแต่ก็หลงเหมือนกันก็มีหลงอย่นี้คลยคล้ายคริสทั้งในเป็นนักศาสนาอิสลิมที่ยึดมั่นในศาสนาธรรมเหมือนกันเหตที่ทำไมเขาหลงเนี่ยแหละกูลูนะอัมวาและนัสบิลบาติลกินทัพย์ของประชาชนโดยไม่ชอบกินทัพย์ของประชาชนโดยไม่ชอบ อะไรที่อะไรที่เขาที่ที่เาทำอะที่ประวัติศาสตร์ในเล่าอัลกุรอานก็เคยพูดไงที่ปราดของยิวบาดหลวงของคริสเนี่ยได้ทำและถือว่ากินทรัพในตำราแับซีรบางตำราเนี่ก็คือรับศีลบนรับศีลบนจะรับสินบนเรื่องอะไรรับศีล บ, บ, บนจะได้บิดเบือนคำสั่งสอน คนนี้ลูกเขาทำศีนาปราดกรก็ตัดสินว่าต้องลงโทษแบบนี้พ่อเขาก็มามาให้สินบนเอ้ยตัดสินอย่างอื่ น, นไม่ใช่แบบนี้ก็ยอมที่จะเบี่ยงเบนข้อตัดสินของคำพีเนี่ยเพอได้รับสินบนมาบาดหลวงบิดเบือนศาสนาแล้วก็ให้คำสัญญามัน่นเนื่องจากว่าบาดหลวงจะถูก มองในใสายตาของผู้คนเนี็ยว่าเป็นคนมีความศักดิ์สิทธิ์คนใกล้ชิดกับพระเจ้าไงแล้วคนใกล้ชิดกับพระเจ้าเฮ้ยคนนี้พระเจ้าให้เข้าสวรรค์ชาวบ้านเคยซื้อเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีก็มีให้เห็นนะครับว่าขายชนูดสวรรนะค์เคยได้ยินไหมขายชนูดในสวรรค์นี่แค่ขายชนูดในฝันนี่เขาก็ โดนปองอโบโดนนั่นโดนโดนโดนดาเนินคดีแล้วนี่นี่ขายฉนดนในสวรรค์นะกิดดูดิแต่อันนี้เนี่ยมันไม่มีหน่วยงานที่จะมาเอาผิดกับเ้าไงเนไขายฉนดนในสวรรค์มันเกิดขึ้นจริงอ่ะนี่กินทรัพย์ชาวบ้านโดยไม่ชอบก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดว่าเออทาบาปทาบาปสารพัดเลยเนี่ยไปสารภาพกับ หลวงพ่อเขาใจ้ตังค์บ้างพระเจ้าให้อภัยโทษแล้วอภิสิทธิ์ที่ได้มาโดยไม่ชอบเนี่ยแต่มาหากินกินหากินกับศาสนาแบบนี้เนี่ยรับสินบนชาวยูก็มีนะรับสินบนจากนักการปกครองจะได้บิดเบือนคำพี่ ในสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักปกครองของพวกกษัตริย์พวกคนรวยนี่ทั้งหมดนี่ที่เป็นข้อตำหนิแน่นอนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อนักศาสนายอมที่จะบิดเบือนความจริงและจะ ร, รมตามอําเภอใจชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือขัดขวางยาสุดดูนาอันสบีลินละขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของเลาแต่ทางของเราเป็นแบบนี้ แ ล, ล้วก็พวกบาดหลวงพวกปราดนี่เขาบอกว่ทางออกเาแบบนี้อันนี้แบบนเนียนๆเลยนะขัดขวางไม่ใช่ไม่ได้ลากคอไม่ได้เลยนะโอ้ยไม่ใช่เรื่อนี้มันอย่างนี้ชาวบ้านก็ต้องเชื่อดิแต่เริ่มตน้นเริ่มตน้มตนการขัดขวางนี่จากอะไรอะอยากกูลู่นะมัวแตนื้ิบบาทเด็กกินซับชาวบ้านคืนักศาสนาที่หากินกับศาสนาหากินเงินของชาวบ้านกับศาสนานี่น เป็นต้นเหตุต้นเหตุของการบิดเบือนศา ส, สนาและในเมื่อศาสนาถูกบิดเบือนแล้วโอกาสที่จะให้คนเนี่ยได้เข้าถึงความจริงเข้าถึงศัจธรรมเนี่ยมันก็น้อยลงอะไรที่ทำให้ชาวคริสต์นับล้านคนออกจากบ้านจากเมืองของเขาที่โยุโรปเนี่ยจะได้มาสู้รบกับมุสลิมจะได้ยึด เมืองยูริสเลีมเพราะโป๊บไปบอกเขาอะพวกคุณจะไม่เข้าสวรรค์จนกว่าจะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ได้ได้เอาพื้นที่ที่พระเาสูถูกตึงบนไม้กังเขนเนี่ยมาเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเจ้า คนที่เขายอมทิ้งทรัพย์ทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งครอบครัวจะได้ไปสู้รบด้วยคำสั่งสอนที่มันคุ้มเคือที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่ทำให้ชาวชาวคิสบางกลุ่มเนี่ยี่ล่าสุดในที่แอฟริกาบอกว่าอยากจะเห็นพระเยซะูไหมให้ค่าตัวตาย นี่ค่าตัว่าตัวตายหมู่เลยนะไม่ถึงว่ายอมตายกันเป็นหมู่เลยจะได้เห็นพระเยซูขนาดนั้นนะชาวบ้านที่เขาเชื่อบาดหลวงอะนะบาดหลวงบอกและก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่เกาหลีนี่เราก็เห็นเนการที่บอกว่าวันเกียร์มาวันปรโลกใกล้จะเกิดขึ้นต้องทำอย่างงู้นทาอย่างนี้หรือว่าพระยซูใกล้จะลงมาแล้ว มีสายอะกายจะลงมาแล้วต้องทำแบบรูปแบบนี้ความมุมงงายมันไม่สามารถที่จะหลอกลวงผู้คนได้ถ้าไม่มีปัจจัยและสิ่งที่บางทีมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะที่จะสนับสนุนหรือที่จะเห็นใจคนที่ถูกหลอกลวงว่าก็านี่ไงผู้รู้นี่ตัวดีเลย ผู้รู้เนี่ยตัวดีเลยที่หลอกลวงชาวบ้านแต่ไม่หลงตามมือพาลงนรกกันนะ่ะผู้รู้ไม่ใช่เหรอมันจะเป็นข้อเท็จจริงไหมถ้าหากว่าผู้รู้เนี่ยใช้มายากรที่หลอกลวงจริงๆหมายถึงว่าทำกลางบริบททั่วๆไปเนี่ย ถ้าเข้ามาได้ฟังมายากรนี้เนี่ยเขาอาจจะไตรตรองด้วยความรู้ของตัวเองแล้วก็ไม่หลงแต่คนนี้เนี่ยที่พาเขาหลงเนี่ยเพราะมันหลอกลวงจริงๆเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลในวันเกียรติได้แต่ทั้นที่อัลลอฮฺได้บอกว่าคือเชื่อฟังอย่างเดียวเนี่ยเชื่อฟังผู้รู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นเหตุผลที่เพียงพอนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮลลอฮัลลอฮฺลลอฮฺอัลลัลลอฮฺอั แท้จริงแล้วที่ที่เราที่เราหลงนี่นะเพราะเราเชื่อฟังผู้นําของเราเชื่อฟังผู้รู้ของเราทำให้เราหลงไปเขาไม่ได้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นะเพราะรู้เนี่ยมันไม่แต่ที่เขาต่ออัลลอฮ์นี่ขอต่ออัลลอฮ์นี่ให้ลงโทษผู้นําของเราเนี่ยสองเท่าทวีคุณเท่ากับการลงโทษที่เราจะรับเพราะอะไรเพราะเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้เราหลงรบบานาติห์เดน่าไฟนี่ ในละาบและลภูมิล่ห์เลนกบีรไม่เป็นเหตุผลนอกจากว่าบาตหลวงป่าดนี้เขาหลอกลวงถึงขนาดที่บอกว่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ความจริงความจริงมันคืออันนี้และคนคนที่เขาฟังฟังบางเขาไม่มีเครื่องมือที่สามารถพิสูจน์ด้วยตัวเอง เออว่ามันเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงบวกบวกกับปจัจจัยต่างๆที่มันเอื้อในการในการหลงเชื่อหลงเชื่อดำข้อแอบอ้างยกตัวอย่างอันนี้ปัจจุบันนะอิสลามคือก่อการร้ายทำไมอ่ะก็นี่ไงก็ดูดีเหตุการณ์ก่อการร้ยใครทำ พวกพวกซาลาบันใช่ไหมบวกไว้ข้าวใช่ไหมนี่ไงพวกมุสลิมใช่ไหมเออและเขาไม่มีกลไกที่จะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเขาไม่สามารถดูเขอคุยกับบิลลาดินหน่อยนี้ขอคุยกับพวกตาลิบันหน่อยนี้ขอคุยนะขอพิสูจน์เครึ่งมือไม่มีอ่ะและเหตุการณ์บริบทต่างๆเนี่ยมันอเออระเบิดปีชีบอย่างเงี้ย داعش ไอพวกไอซิ ส, ส มันทําแบบผลเที่ยมเออมันก็จริงนะนะเราจะเราจะไปพิสูจน์ยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าคนคนอยู่ในท่าการสถานการณ์ถูกลอกลวงว่าอิสลามเป็นศาสนาก่อกันรายแล้วเข้าพยายามที่จะพิสูจน์พยายามที่จะพิสูจน์แตไม่สามารถพิสูจน์จนหลงเชื่อตามนั้น น <lation> <m> ess <essays> ี่นดูนี่าดิสลามเนี่ยด้วยความเป็นธรรมอะให้ความเป็นธรรมกับคนเหล่านี้คนเหล่านี้เนี่ยเห็นใจเขานะเป็นไปได้เขาจะเสียชีวิตอาจจะเสียชีวิตในฐานะที่ไม่ใช่มุสลิมแต่วันเกียร์มาเนี่ยอล l l a h จะต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาแน่นอนทาไมอะเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงและจะทำอย่างตรงไปตรงมาหมายถึงว่าบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้มีอิสระ ในการเลือกในการเลือกทางนั้นเหมือนถูกบังคับปอุลมมามะเขาบอกว่า <c oughs> เอกชนเลยนะในศาสนาอิสลาม เ, เอกชนเลยนะคนเกิดมานีหูหนวกตาบอดหูหนวกตาบอดทางที่จะรู้อะไรสักอย่างหนึ่งมันแทบยากแทบยาก สอนกษรไบรนี่ยมันไม่ได้ง่ายสําหรับคนทั่วไปนะ <c oughs> ผู้รู้เขบอกว่าแม้กันนะตาบอดแล้วก็หูนหนวกนี่คือเขาจะได้มีจิตใจตั้งใจเรียนช่องทางอื่นจะได้เรียนรู้นะคอน่อนข้างแย่กว่าจะเรียนอมมติว่าเรียนโดยสัมผัสอย่างเงี้ยเพราะตาบอดหูนหนวกแล้วนะฟังอะไรก็ไม่ได้เห็นมองเงี้ยนกะ็ไม่ได้ ก็ต้องใช้วิธีสัมผัสใช่ไหมไ้วิธีสัมผัสนี่กว่าจะได้ถึงนในประเทศไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าคนตาบอดอยากจได้คุณอ่านอักษรใบเนี่ยง่ายไมไม่มีนะในบางทานยังไม่มีพิมพ์นะต้องต้องไปสั่งจักต่างประเทศและที่เป็นภาษาไทยยังไม่มีนะกุณอ่านภาษาอางกับอังกฤษนี่พอมีแต่ไทยนี่ยยังไม่มี เพราะเรายังไม่มีโรงพิมพ์ที่จะพิมพ์หนังสือและก็พิมพ์คุณอานเป็นภาษาไทยอนะให้คนไทยเสามารถอ่านไนดะ้ที่เหนือนี่เชียงใหมป่ป่ะที่มีโรงเรียนสอนคนตาบอดปะ่ะเออมีละที่เดียวแต่นี้นี่ถ้าตาบอดแต่แต่ยังยังยั ง, ย, ง ย, ยังได้ยินนะอันนี้อุลมามะที่บอกเอกสารเลยนะ ถ้าหูหนวกตาบอดนี่เหมือนคนบ้าอาลัลลอฮ์แมโทษดวนเกียร์มากได้เป็นชาวสวรรค์ทําไมอ่ะเพราะเขามีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือในการเข้าถึงสัจธรรมอลัลลอฮ์จะเอาโทษเขาเอก็เหือนคนคนบ้าคนขาดสติไม่มีสติคนไม่มีสตินี่อลัลลอฮ์โทษไหมฟื้นปูนเกียรฟืน้นขึ้นที่วนเกียมานกมนี่้าสวรรค์เลยทําไมอ่ะอัลลอฮ์ยึด สมองเข้าไปนี่นะองค์ก็จะไม่เอาโทษต่อเขาชาติสวัรและทุกคนที่มีปัญหาด้านสติเรื่องสติสติเช่นคนที่มีปัญหาออทิสติกอ่ปัญหาประสาทของสมองเช่นเดีวยวกันก็ถือว่าสติปัญญาของเขาเนี่ยไม่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นอัลลอฮ์ก็จะไม่ เอาโทษกับเขาทเท่ากับคนที่สมประกอบสมประกอบหมายถึงคนสติปัญญาสมบูรณ์นี่คือความยุติธรรมของเ้แน่นอนแน่ตตัวดีเนี่ยคนที่สมองสมบูรณ์ทั้งทีเนี่ยอวัยวะก็สมบูรณ์แล้วเนี่ยสามารถเข้าถึงศัจธรรมนะแต่ปรากฏว่ามีคนยึดศัจธรรมไม่ให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงมันได้ บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้รู้อาจจะไม่ได้เป็นนักศาสนาก็ได้อาจจะเป็นนักการปกครองก็ได้ที่มีอำนาจมีอำนาจมีบา ร, รมีและขัดขวางผู้คนไม่ให้เข้าถึงศีลธรรมแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะดูปกติมากสำหรับสำหรับนักการปกครองเพราะคนที่บ้าอำนาจเนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาที่จะกินทรัพย์ชาวบ้านใช่คนบ้าอำนาจคือยึดอำนาจไปแล้วนี่มันจะมีอะไรเหลือล่ะถ้าจะเอาทรัพย์ของชาวบ้า น, นเป็นเรื่องธรรมดาแต่นักศาสนาล่ะนักศาสนาเพราะต้องการทรัพย์ของชาวบ้านน่ะนะถึงขานาดที่บิดเบือนความจริงและเสด็จทำนี่ น, นี่นี่คือข้นะที่สุด อุลามาได้เปรียบเทียบถึงแม้ว่าผู้รู้นี่ผู้รู้นี่ถือว่าส่วนน้อยของสังคมนะส่วนน้อยของสังคมเ ช, เช่นผู้ปกครองอ่ะนะนักการปกครองเนี่ยก็เป็นส่วนน้อยของสังคมใช่ไหมผู้รู้มีกี่คนในสังคมในโบ้านเรานี่ ส, สมมุติอตะนะมุสลิม หรือไม่ใช่มุสลิมเนอย่างศาสนาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพระสงฆ์กี่รูปนะสามแสนปะ่ะเดี๋ยวเราลังคุยกันว่าจะจะให้มีสิทธิ์สิทธิ์เลือกตั้งอนะ่ะ <c oughs> สามแสนปะ่ะประมาณสามแสนสวนน้อยในสังคมมุสลิมพูรุกี่เปอร์เซ็นต์น้อยน้อยมากพูรุกันจะเป็นพูรูกน่ะน้อยมากบาทหลวงในสังคมคริสต์น้อยมาก นักการปกครองอนักการเมืองนักการปกครองก็น้อยมากอุลามาได้เปรียบเทียบบอกว่านักการปกครองแล้วก็นักศาสนานี่นะเปรียบเทียบเหมือนเป็นเกลือของเกลือในอาหารเกลือที่ใส่นิดเดียวแต่มันสามารถปรุงอาหารจํานวนมากได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกลือเนี่ยเกลือนี่มันเสียมันเนา่ามันบูด มันไม่สามารถเ อ, อื้อรสชาติเข็มที่ถูกต้องที่ทิมที่จินของมันมายุสลิฮมายุสลิตา الطعام إذا الملح ف س มันจะปรุงอาหารได้ไงถ้าเกลือนี่ไอที่จำนวนน้อยเนี่ยมันเสียแล้วนะแล้วก็เราดันไปปรุงอาหารจะบ่นมากอะไรที่จะทำให้อาหารนี่คือรสชาติ ดีของมันนะถ้าเกลือที่มันจำนวนน้อยเนี่ยมันเสียไปแล้วเช่นเดียวกันถ้าถ้านักการปกครองไม่ดีนักการศาสนาไม่ดีเป็นเรื่องไม่บังเอิญ น, นะว่าสองกลุ่มนี้นี่ที่อัลลอฮฺสุบภาณอวดาล่ให้เชื่อฟังเขาอัติยุลลอฮฺวาอัติยุลรัศดลและอุลิลแอมริมินกุมผู้นำดุมินเนี่ยให้เชื่อผู้นำ ผู้นำนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นักการปกครองเนี่ยผู้นํานี่สอประเภทนะผู้ น, นํานี่ทั้งนักการปกครองแล้วก็นักศาสนาและผู้รู้มุลลามะบางท่านบอกว่าที่จริงเนี่ยที่ต้องเชื่อฟังนี่คือผู้รู้อย่างเดียวทําไมอ่ะเพราะถ้าหากว่านักการปกครองนี่เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ก็มีเหตุผลที่เชื่อฟังเขานี่ในทานะที่เป็นนักการปกครองและเป็นผู้และก็เป็นผู้รู้ แต่ถ้ากว่านักการปกครองไม่ได้เป็นผู้รู้นักการปกครองนี่ต้องมีที่ปรึกษาเป็นผูรู้และนักการปต้องเชื่อฝั่งภูรู้ที่สุดเนี่ยมันก็ต้องกลับไปถึงผูรู้ถ้าหากว่านักการปกครองแล้วก็บูรู้นี่ชีวิตของเขาเนี่ยโม่แต่กินทรัพย์ชาว่าอย่างเดียวหากินกับศาสนาอย่างเดียวมันจะเหลือหรือทำไมถึง ท่านนบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิลมเ่นทเป็นศาสนูอัลลอัลเลาะห์มตท่านนบีเี่ยรับ z a k t และซับเลยเนี่ยท่านนบีถูกมอบให้บริหารซับเลยเนี่ยหนึ่งในห้นะและให้นึ่งในหเนี่ยต้องกลับไปสู่สังคมเท่ากับตัวท่านนบีเนี่ยแทบไม่มีรายได้ของ ท่านน บ, บีในหละการศาสนานี่ไม่อนุญาตให้ท่านน บ, บีได้มีแหล่งรายได้ที่มั่นคงเพื่อไม่ให้ท่านน บ, บีเนี่ยเสวยสุขก็คือหากินกับศาสนาอากาศก็ไม่ได้แหล่งรายได้อื่นๆเนี่ยท่านน บ, บีได้ต้องบริหารอย่างเป็นธรรม แต่มันยังมีจริยธรรมส่วนตัวของท่านนาบีที่ไม่ได้เป็นหลักไม่ได้เป็นข้อบังคับของท่านนาบีว่าจะต้องใช้ชีวิตแบบสรสมรมะธรรมะนี้ก็หมายถึงว่าไม่ไม่ ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม่ฟุ่มเฟือยการงานของท่านนาบีไม่ใช่หาเงินไม่ใช่หาทรัพย์จากชาวบ้านแล้วนบีได้ทิ้งมรดกของท่านนาบีให้ผู้รู้เนี่ยผู้รู้ผู้รู้ในศาสนา องมีจริยธรรมมีจริยบัญคล้ายกังกับท่านนะีหมายถึงว่าผู้รู้ที่เป็นผู้รู้นะไม่มีคนที่จะเป็นคนที่วิ่งเต้นตามดุนยาตามทรัพย์สิน ห, ห, ห, หาทรัพย์สินอันนี้หมายถึงว่าหาทรัพย์สินในทางที่ชอบนะในทางที่ชอบนะรู้ว่าผู้รู้นี่จะได้ถูกมองในสายตาของสังคมชาวบ้านว่าเป็นผู้รู้เนี่ย จะต้องไม่เป็นคนที่งานส่วนมากของเขาเนี่ยเป็นงานดุยาในทางที่ชอบนะภูรู้เป็นนักธุรกิจได้แต่จะเป็นนักธุรกิจที่เวลาของเขาส่วนมากทุ่มเทไปกับธุรกิจไม่ใช่เป็นภูรู้ก็ถูกแบ่งแขนก็เป็นเป็นนักธุรกิจไปเลยไม่ได้เป็นภูรู้อิมามบุคฮอรีเนี่ยเป็นนักธุรกิจแต่เวลาส่วนมากอิมมบุครีใช้กับ เผยแพร่ความรู้ด้านเนี่ยด้านอิมามบุคอรีจะเดินทางไปสอนหัดดิในเมื่อจะเดินทางสอนฮัดดิสเนี่ยก็เอาสินค้าส่วนหนึ่งเอาจะไปขายเมืองนุชแต่เป้าประสงค์ของของด้านเนี่ยในการที่จะเดินทางเนี่ยก็เดินทางไปสอนฮัดีสิสแล้วก็คนที่จะมาติดต่อเนี่เขาไม่ได้เขา ไ, ไ, ไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปหาตัวนักธุรกิจเนี่ยเขารู้ พ่อค้านี่เขารู้อิหม่าบุคฮรีมาจากนูก้นมีสินค้าก็ไปหาท่านในสอนฮะดิษแล้วเนี่ยมาแล้วอิหม่าบุคอรีออกจากมัสรรยิดแล้วท่านครับเราได้มีได้ยินว่าท่านมีสินค้ามาคุยนูน้นไปคุยไปหาเขานะ่ะอิหม่าบุคอรีไม่ต้องวิ่งเด่นไปหาพ่อค้าเขานะ่ะจึงไม่เสียภาพลักษณ์ของความเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นนักธุรกิจได้แต่จะเป็นนักธุรกิจที่แบบแบแบว่า ภาพลักษณ์ของนักธุรกิจของของนักศาสนานี่มันหายไปจนเหลือแต่ภาพลักษณ์ของนักธุรกิจเนี่ย น, นั้นมิไม่ควรและในชีวประวัติของอุลามาบางท่านเนี่ยเขาก็จะก็จะมีเขียนตำดิว่าเขาเขาใส่ใจในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องค้าขายเรื่องอะไรแสดงว่าผู้รู้นี่เขาเขาเขาดังเกียรติที่จะ ที่จะไปวนอยู่กับเรื่องดุนยามากมากเกินไปทําไมเนภาพละคงความเป็นผู้รู้ทําไมเนคนที่คนที่เป็นพ่อค้าที่ทํามาหากินเนี่ยําทำธุรกิจเนี่ยแน่นอนจะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเรื่องเงินเยอะเรื่องเงินนี่มีแต่เรื่องโลภความโลภใช่ไหมพอเจอแค่แค่ต่อราคาต่ออะไรเนี่ ผมเคยเจอนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยที่นี่เนี่ยปฏิปทนตรับของเก่าอะขายของเก่าอนะที่บ้านนะ่ยผมที่จึิงผมอยากจะลบอะนะของเก่าเนี่ยจะ้าคนนี้จะซื้อของเก่านี่ก็เรียกมา ต, ตีราคาเอาเท่าไหร่เขเขาก็เ <c oughs> อาเปรียบผมที่จริงเนี่ยาเอาราคาเท่าไหร่นี่ผมผมผมให้เลยนะ เพรที่ได้มานี่ก็คือกําไรล้วนๆเนียเพราะผมอยากจะให้โลกอย่างเดียวเนี่ยแค่ถ้าถ้าเขาจะเอาตังค์จะได้เอาของไปนี่ผมก็ยอมให้เขาก็บอกว่านี่อแค่แคนี้บอ่าเฮไมถูกอย่างนี้ล่ะมีแค่ต่อแค่นี้นะทําไมถูกอย่างเนี้อา้าวนี่เลยศาสนาสอนแบบนี้ล่ะเอาเห็นเราเราแต่งชุดอย่างเงี้ยเออตัวครูศา ส, สนาสอนแบบนี้ล่ะเฮ้ย เห็นไหมพอขอเ ป, ป็นตัวครูนี่ยถ้าต่ออะไรนิดนึงหนึ่งเขาก็จะมองว่าเรานี่ <P ot or> เห็นแก่งเงินไงอันนี้อันนี้ต้องต้องยอมรับว่านี่คือความรู้สึกของชาวบ้านว่าตัครูนี่ยต้องเป็นคนสมร t h เป็นคนเป็นคนไม่เอาไหนอ่ะเอออะไรอะไรก็ได้อ่ะ <P ot or> เออเ <P ot or> ขามองอย่างนั้นเป็นเป็นมุมมองที่เอาเปรียบนะไม่ถูกต้องนะแต่มันมันจะช่วยได้ไงถ้าผู้รู้นี่ ไม่ระวังตัวในเรื่องนี้นะนี่ผมไปตลาดนี่ไปอะไรนี่ผมไม่ต่อราคาเลยนะผมไม่ต่อราคาเลยไม่อยากให้ภาพนี้เนี่ยเกิดขึ้คือคือส่วนตัวผักหรือผลไม้อะไรนี่มันมันแพงมันอะไรนิดหน่อยเนี่ผมจะไปต่อเลยจะไปต่อลดห้าบาทยอะไรเงี้ยก็ต้องดูถูกเราดิใช่ไหมต้องดูถูกเราแน่นอนภาพลักษณ์ของความเป็นผู้รู้นั่งแท็กซี่นี่ผมไม่เคยเป๊ะเลยนะ มิเตอร์นี่ไม่เคยเป๊ะเลยนะทำไมอ่ะเพราะเพราะเฉพาะนี่คนขับแท็กซี่เนี่ยถ้าใครเป๊ะในเรื่องมิเตอร์เนี่ยเขาจะมองวันนี้ขี้เหนียวขี้เหนียวแน่นอนนะรู้นะมิเตอร์นี่มันสี่สิบสามาทอย่างเงี้ยแล้วเราให้ไปสี่สิบห้าอย่างเงี้ยแล้วรอรอให้คืนสองบาทนี่าปกติแล้วเนี่ยเพสองบาทนี่เาก็ไม่ไม่โดนเงี้นั่นน่นนะไม่ผมเพิ่มให้ด้วย 4ี่บหาบาทสมมติว่าสี่บสาบาทที่สามบาทนี่ผมไม่หกสิบไปเลยไม5ห้าสิบไปเลยทั้งหมดนี่เพื่อรักษาภาพหลักของของผู้รู้ของนักศาสนา <c oughs> ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นจุดหมายของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีใครไม่ชอบเสง็จมีไหม ا ل ك م ش ب ا ا ل تحبون المال حبا جما ع سورة, سورة الفجر ق س و ر ة العاديات تحبون المال حبا ق و ت ا ن ي ش ا ب ن ب نشوب ن ش ب ن و ب نشوب نشوب نشوب ن ش و ن و نشوب ب و ب ن ش نشوب ش ب ن ب ن ن ش ن ش ب ن ش ب ن ن ن ش ชอบทรัพย์สินอย่างรุนแรงรุนแรงจริงไหมละ่ะจริงในสุรษัลภาษาเนี่ยชอบทรัพย์เลยยกตัวอย่างนี้นะถูกบูรณะมาแต่กูน่นะทุรมมาษอัตลบม์แต่กูน่กินตุราษะมรดกยอมเสียพ่อเสียแม่เสียพี่น้องเสียญาติเพราะอะไร พอต้องการมรดกมากกว่าคนอื่นจริงแหมละ่ะยอมตัดญาติตัดพี่น้องเลยยอมโกงมรดกเสียพี่เสียน้องเนี่ยจะได้เอาทรัพย์มากกว่าคนอื่นมีไหมละ่ะยอมที่จะเอาพ่อเอาแม่เนี่ยขึ้นศาลฟ้องพ่อฟ้องแม่ฟ้องพี่น้องฟ้องลูกหลานขึ้นศาลมันไม่เหลือแล้ว มาขึ้นศาลบางทีในศาลก็ไม่ใช่ศาลอิสลามศาลชาาริหาศาลกาเฟตนะมาตัดสินระว่างระหว่างพ่อกับลูกพี่กับน้องเนี่ยในมรดกที่ต้องที่ต้องจัดการด้วยอิสลามมันเหลืออะไรละ่ะพอพิพาทกันพอขัดแย้งกันแล้วก็ต้องสาบานเขายัางให้เกียรตนะิในสาบานด้วยพระนามของล l l a h ยังให้อีเราว่าในสาบานด้วยด้วยพระนามอัลลอฮ์นะแต่พอแต่พอแน่นอนพอสาบานแล้วเนี่ยอยากจะกินมรดกเขาอ่ะจะพูดความจริงได้ไหมพอถ้าพูดความจริงเนี่ยไม่ได้มรดกอดมันไม่ได้ไงก็ต้องสาบานเท็จนะาสาบานเท็จนี่มันก็ บ, บ า, ยายปใหญ่บิงนะแต่ ก, กินมนรดกของคนอื่นเนี่ยนี่ก็ บ, บาปใหญ่ไปนะแล้วแล้ก็สาบานเทนเน็จอีกล่ะซ้าแล้วซ้ำอีกมีใครยังไม่ชอบสะดุ้งสะดัน ความโลภเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนสามัญชนนะ น, นักศาสนาเขาก็มีความโลภความชอบเงินชอบทรัพย์ชอบเง ân, ินมีมีเหมือนกันแต่อันตรายของความโลภของผู้รู้เนี่ยทําให้เขาเนี่ยอยะุดดูนาันศิบิลละขัดขวางผู้คนเนี่ยขัดขวางผู้คนเนี่ยยะส ด, ดูนางอันศิบิลละให้ออกจะท้างองคอัลลอฮฺ และเนื่องจากปัญหาใหญ่ของสตังเนี่ยอัลลอฮฺสุภานาหัวตาละไ็เสั่งสอนทุกคนเลยนะมนุษย์ทุกคนเลยทั้งผู้รู้ทั้งนักศาสนาแล้วก็คนที่ไม่ใช่ไม่ใช่นักศาสนาแล้วบรรดาผู้ที่สะสมทอง และเงินในศาสนาอิสลามทองทองนี่ในหลักการไม่ใช่หลักการทั่วไปอะทองมันมีค่ามากกว่าเงินใช่ไหม <c oughs> และในตะวันออกกลางนี่ทองนี่มันจะมีจํานวนมากกว่าเงินมีคุณค่ามากกว่าเงินเวนลาลำดับนี่ก็จะลำดับทองมา ก, ก่อนเงินอัลฮะบุลฟิฎะในวัฒนธรรมของภาษาเนี่ยก็จะเอ่ย ทองก่อนเงินแต่บ้านเราเนี่ยหรือในเฉพาะในเอเชียนี่ทองนี่มันน้อยกว่าเงินนี่มันมากกว่าก็เลยให้เกียร์ทองมากกว่าเงินเงินทองอันนี้ตะก่อนรู้นนะสมัยโบราณ่ก็เลยเรียกเงินทองใช่ไหมก็อาจะใช้นเรื่องเงินทองให้เงินทองคนนี้มีเงินมีทองใช่ไ แต่เวลากุอ่านใช่ไหม t ้ e Golden t h r e เขาก็แปลทำนั้นนะผู้ที่สะสมทองและเงินมันดูเออมันดูขัดขัดหูหน่อยทองและเงิ น, ม, นมันเงินกับทองเงินทองไม่ใช่เหรอนึนกออกปะเออไม่ใช่อันนี้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมในการใช้ภาษาสืบเนื่องจากอรารยธรรมในอดีตออมันเป็นอย่างนั้นจริงนะอัอเลาบอกว่าคนที่สะสมเงินทองนี่ ฉนันเอาเวลาเราจะใช้ของของเราก็ได้ไม่ผิดนะหมายถึงว่าถ้าเราจะมาลำดับสลับเงินก่อนทองไม่ไม่ผิดนะไม่ผิดหลกักการศาสนาอันนี้มันเป็นหลักการเรื่องใช้ภาษาอย่างเดียวไม่ใช่หลกักการศาสนาคนที่สะสมเงินทองมีข้อแม่บอกว่าเวลายู่ฝึกูนในสิ่งเหล่านั้นไม่ใช้จ่ายไม่ใช่จ่ายคนะือใช้จ่ายเงินทองเนี่ยในทางของอัลลอฮฺ อุลามาส่วนมากเนี่ยในอธิบายท่อนเนี่ยใช้ใจ่ายในหนังดหมายถึงว่าออกสักการไม่ใช่ใช้ใจ่ายเงินทองทั้งหมดเลยแต่เนื้อหาโดยผิวเผินนี่มันอาจจะเข้าใจอย่างนั้นนะ่ะคนที่สะสมเงินทองแล้วไม่ได้ใช้ใจ่ายและไม่ได้จ่ายเงินทองนี่ทั้งหมดในหนังดังอ่อนนี่นะแต่ถูกลงโทษอย่างงอย่างนี้ไม่ใช่อุลามาส่วนมากหมายถึงว่าออกสั ก, การ เอาและที่ออกสกาและที่เหลือละ่ะจะเป็นบาปไหมไม่บาปแล้วทำไมผมบอกว่าสว่วนมากเพราะเคยมีทศนะของสหบะติท่านหนึ่งก็คืออบูซรแลมีชาวซาลับบางท่านก็เห็นด้วยกับท่านอบูซรโดยเฉพาะในยุคของท่านขลิฟัตอุสมาเนบนหอัฟฟานีน่ การขยายอาณาจักรอิสลามนี่ถือว่ากว้างขวางที่สุดะฉะนั้นรายได้ของอาณาจักรอิสลามนี่สูงสุดนในยุคของอุสลิมมุสลิ ม, มีรวยมากในยุคนั้นนะรวยถึงขนาดที่คนเขามีเงินออกอากาศแล้วแล้วเขายังยังลดนะตังยงัยังเยอะ ทำไม่เข้าในใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุรายแบบโอ้แบบแบบสบายเลยอบูยะก็เลยกังวลเห็นว่าขืนปล่อยให้คนใช้ตังค์แบบสุรุ่ยสุรายแบบนี้นี่นะโอ้มันจะถึงจุดบอดของสังคมที่ไม่รู้ใช้ตังค์อย่างคุ้มค่านี่นะล้มสลายแน่นอนอันนั้อิสลามล่มสลาย ท่านก็นเลยบอกว่านี่ไปดูในกุรลานี่ใครที่มีเงินเหลือนอกจากความต้องการของตัวเองอะนะต้องบริจาคหมดสมมติว่ามีเงินมีเงินอยู่ล้านหนึ่งเอาเฉพาะที่เราต้องการใช้จริงๆนาทีเหลือนี่ต้องบริจาคเอาไม่ได้ออกซะกาดอย่างเดียวล้านหนึ่งล้านหนึ่งรซากาของมันเนี่ยสองมืนห้า สองหน้าี่ที่เหลือนี่อันนี้ฮาาลสมันเราจะใช้ไงก็แล้วแต่จะไปซื้อรถเบนจะไปซื้อเทลาจะไปซื้อแล้วแต่อบูซับอกว่าไม่ใชเฉพาะถ้าคุณจะซื้อรถก็ซื้อใปซื้อบานก็ซื้อใบะนก็ซื้อไที่เหลือนี่นะบริจาคหมดแลวถึงกันที่อบูซัดนี่ตำหนิด้วยท่านตอนนั้นท่านอบูซัเนี่ยไปอยู่ที่เมืองชามกับมอหยนมอหย์เป็นเป็นผัวผัวเมือน ขนาดาอาบูซอดตำหนิคนอื่นด้วยคือเจอใครร่ำรวยแล้วก็ออกปรกาศแล้วนะมีเงินเยอะทำไมทำไมไม่ไปบริจาคตงินตั้งตำหนิตนวนักตั้งคนเพราคนรวยเนี่ยเริ่มรำคาญอาบูซอดก็ไปฟ้องโมอาวียโมอาเวียก็เรียกอบูซัาาดก็เป็นซอฮาบะด้วยกันก็เตือนเขาบอกว่าอันนี้ศาสนาของท่านนี่มัน มันไม่เห็นทของสางซองบ้าส่วนมากนะไม่ได้เห็นอย่างนี้เนี่ยอบูซัดก็ไม่พอใจมมฮาเวียไม่ยอมเชื่อฟังโมฮาเวียเนี่ยอบูซัดนี่อาวุโสกว่ามาเวิยอาบูซัดนี่รับอิสลามรุ่นรุ่นแรกเลยมุฮาวียเพิ่งมารับมารับอิสลามปีพิชิตมักกะเนี่ยปีที่แปดอะไออบูซันี่เป็นรุ่นพี่มาวยนี่เป็นรุ่นน้อง รุ่นน้องนี่จะมาสั่งสอนรุ่นพี่ได้ไงหมวาวิยะก็เลยต้องร้องเรียนทางอุสมานบดุอาฟานอุสมานอบดุอาฟานนี่ยก็เลยสั่งให้อับูยศนีม่มาอยู่มาอยู่ใกล้มะดีน่านี่ในตำบลเรียกรอบบ์ละเพื่อจะได้ไม่ให้ไม่ให้มีบทบาทในการตำหนิคนอื่นในเรื่องนี้ทัศน์ น, น, นี้เนี่ยอุลามาได้บอกว่าเป็นบันดาษนะเกา่าแก่อ่า ศูนย์พันไปแล้วไม่มีใครไม่มีใครยึดในทศนะนี้แล้วทศนะที่บอกว่าเงินนี่เอาไว้เฉพาะใช้ส่วนที่เหลือนี่ไม่ให้เก็บทศนะนี้เนี่ยยึดในหัดในอายะนี่ทำไมเ่เพราะอายะเนี่ยอัลลอว์บอกแลที่นยักนิซูนบรรดาผู้ที่สั่งสมเงินทองสะสมะ หมายถึงว่าเองใช้ไปแล้วเนี่ยเลขที่เหลือนี่ไว้ทําอะไรสะสมอันนี้คือคําตอบของคนคนเราอ้าวใช่เงินในธนาคารมีเท่าไหร่มีเท่านี้เท่านี้เอาไว้ทําอะไรเผมสะสมไว้ไง <c oughs> มีคําตอบอื่นไหมไม่มีไอเงินที่เราไม่เอาไปไปในห้างไปซื้อของไปตลาดไปซื้อของกินไปไปหาหมอนี่ไปรักษาไปไปไปซื้อนนี่น ใช้หมดแล้ใช่ไหมอะไรที่อยู่ในธนาคารทาอะไรอยู่ก็ผมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ที่เก็บไว้ตายก็เบื่อเอาไว้ทำอะไรเก็บไว้ไงสะสมไงอุก็กีงลพวสสมนะนี่นะของอาวุธอ้างแล้วก็มีขั้นอื่นอนด้วยนะครับที่อุธ แต่สหบาส่วนมากก็หมายถึงว่าสะสมโดยโดยไม่ชะไม่จ่ายอากาศที่อัลลอฮ์กำหนดไว้สะสมโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ออกส่วนสัดส่วนที่อัลลอฮ์สุรานั่นแาละกำหนดไว้อันนี้เรียกว่าสะสมแต่ถ้าออกอากาศไปแล้วนี่นะอันนี้ถือว่าที่เราได้ให้ไปแล้วยกไปแล้วเราจะสะสมเราจะอะไรอย่าลลอฮ์ไม่ไม่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้ว เอามาจากไหนอ่ะก็เอามาจากการกระทํำของท่านนบีสุลตานสลับยุคท่านนบีก็มีคนรวยก็มีคนรวยท่านนบีไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยสัมปทานคนนั้นนอจากออกสัการเขาออกสัการแล้วแล้วเขายังรวยอยู่นบีไม่ได้ตำหนิเขาเก็บไว้ทําไมที่เหลือนี่เก็ว้ทำไมมาบริจาคซะไปรากฏว่า มียุคหนึ่งอะนะศตวรรษที่ผ่านไปแล้วเนี่ยช่วงกลางกลางศตวรรษที่ย0สบคริสตการก็คือหลังจากที่สหภาพโซเวียตนี่ได้รุ่งนะคอมมิวนิสต์นี่ดังทั่วโลกนะโอตต่อ น, นุ่นคอมมิวนิสกับทุนนิยมนี่ปัดกันเละเลยแล้วก็ ประเทศบางประเทศดูเหมือนสังคมนิยมนี่มันจะมันจะมีมีคะแนนสูงกว่าแล้วก็มีปราดมุสลิมมาหนะักุญแจการมุสลิมมานะแล้วก็ตามขึ้นคือถ้าทุนนิยมนี่ขึ้นสูงเาก็บอกว่านี่ไงอิสลามบอกว่าต้องให้เกียรติทรัพย์ของชาวบ้านเนีย่ยไปยงกับเขานะสนับสนุนตุนนิยม ถ้าสังคมนิยมนี่ไงอิสลามมีนนอบูซาร์บอกว่าอะไรดี่ก็เหลือนี่ห้ามเก็บห้ามสะสมนี่ต้องเสมอภาคเออมีมีข้ออ้างด้วยในอิสลามาเหมอน่กอนมีคนหนึ่งมีนักวิชาการคนหนึ่งนั่งเขียนหนังสืออิสลามกับคอมมิวนสิสต์หมายถึงว่าเนื้อหาของคอมมิวนสิสต์ในสังคมนิยมมันมีในอิสลามเหมือนกัน แล้วก็อีกคนหนึ่งเขียนหนังสืออบูซาร์ชาวคอมมิวนิสต์คนแรกในอิสลามพออบูซาร์บอกว่าเก็บเงินพอคอมมิวนิสต์่างงังไงเอ็งจะไปเก็บแบบนีสมัยคอมมิวนิสต์ไม่มีบัญชีไม่มีใครเปิดบัญชีนะเอ็งมีบ้านมีช่องมีอะไรก็โอเคกันแล้วเสมอภาคเก็บเงินเกินความต้องการให้รัฐหมดอบูซาร์เป็นชาวคอมมิวนิสต์คนแรก ทั้งนั้นดิอาวุธไม่ได้ก็ไม่ได้มองแบบนี้น่ะนะอาวุธเรไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดที่บอกว่าอยยึดเงินอะไรไม่ใช่ไปถึงขนาดนั้นแต่นี่ห้เห็นเนเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าผู้รู้บางทีนี่ก็บางอาจที่จะบิดเบือนหลักการศาสนาจะได้สอดคล้องกับความคิดนะความคิดของมนุษย์เพราะมันเป็นกระแสในสังคมแต่เ่าบอกว่าคนที่สะสมเงินทองแล้วก็ไม่บริจาคก็กหมายถึงว่าไม่บริจาคสกัดาานี่นะ ถ้รุ่ด้วยเป็นอัลลิมแจ้งข่าวดีอันนี้เป็นการเยอะครับข่าวดีอาซาการลงโทษอย่างจิบแสบนี่มันไม่ใช่ข่าวดีเหมือนในภาษาไทยเนี่ยเราเราจะเจอเออเดี๋ยวเจอดี เ, เจอดีเจอดีปะ่ะไม่ดีเลยประมาณนี้ผลลงโทษของคนที่สะสมเงินแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ออกสกาศนี่ อายาสามสิบห้านี่ก็ได้อธิบายอย่างละเอียดแต่เวลาคงไม่พอนะผมตั้งใจว่าจะมาอธิบายสองอาหนีแต่เวลาไม่เพียงพอนะครับคงต้องยุกยอดไปสับดาห์นานะครับอินช่าอัลลอฮฺซลอัลลอฮุะลูบะมฮัมมดะลัอบลลลลมอลัยุมราะห์มตุลลมพี่น้องมีคาถามไหมเกี่ยวกับอาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยคือ ในสังคมเนี่ยนักการศ า, าร ส, สนานี่แบ่งเป็นสองประเภทประเภทที่เขาอาสาสมัครอาสาอาสาที่จะที่จะทำโดยไม่ได้รับการตอบแทนแล้วก็กลุ่มที่เขาต้องการการตอบแทนเพราะเขาไม่มีอะไรได้อื่นคนที่อาสาเนี่ย ก็มีสองประเภทนะประเภทที่เขามีมีรายได้ส่วนตัวของเขาเขาไม่ต้องการรายได้นะเขาก็เขาก็มีรายได้ของเขาอาจจะเขามีทรัพย์สินส่วนตัวมีมรดกหรืออาจจะมีมีธุรกิจส่วนตัวของเขาเพียงพอของเขาเขาก็งานศาสนานี่ก็กลายเป็นงานอาสาแต่มีกลุ่มหนึ่งนะักศาสนาที่เป็นอาสานะเขาก็ยอมใช้ชีวิตแบบสมถะที่สุดเขาไม่ต้องใช้เงินเนยอะดังนั้นมีมีอะไรเล็กน้อยเนี่ยเขาก็อยู่ได้ ใ น, นมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส่วนมากนี่ที่เขาไม่มีรายได้เลยถ้าจะให้เขาทำงานศาสนาอ่ะนะนะเขาต้องเาต้องมีรายได้ที่มั่นคงเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนท่านนาบีเทศนาช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงท้าทายระหว่างศีลธรรมกับกับอธรรม แทนคนที่จะสนับสนุนศาสนมเนี่ยต้องเสียสลากเต็มที่ฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะให้นักศาสนานี่มีรายได้จึงไม่แปลกใจว่ามีตัวบทหลักฐานที่ท่านอับดุลเลาะห์สลัมที่ห้ามกินกับศาสนาห้ามห้ามรับรายได้จากการสอนศาสนาครับรับรค่าตอบแทนจากการสอนกุรานหากินกับศาสนาแต่ภายหลังนี่ หลังจากที่ได้จัดตั้งรัฐบาลเดียบร้อยนี่ยุค ข, ของซาฮาบานแล้วนะจัดตั้งรัฐบาลแล้ ว, นะลลวมีสังคมมีระเบียบเริ่มมีสอนการเรียนซาฮาบานนี่ก็เริ่มเริ่มที่จะปรับปรับโครงสร้างของของขอ ง, ของเรื่องเรื่องเรื่องรายได้ของรัฐแล้วก็แล้วก็การตอบแทนเพายังยังคนดี คนที่ต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์นี่ก็คือมุจาฮีดีนนะสหบาได้มองว่าแล้วทำไมอัลลอฮ์ให้มีการตอบแทนอันเป็นซับเฉลยทั้งั้นีนจิฮ่านี่ถือว่าเป็นงานศาสนาสูงสุดใช่ปหแต่ทำไ ม, มอัลลอฮ์บ่ามีซัเลยมีมีตอบแทนให้เขาแล้วคนที่ทำงานศาสนาอย่างอื่นเขาจะไม่มีการตอบแทนเลยได้ไงอันที่ไปที่มา ที่เขาบอกว่าหมายถึงว่าที่ที่คําสั่งสอนหรือหลักฐานที่ห้ามเอาข้าตอบแทนนี่หมายถึงว่าเรียกร้องตายตัวเรียกร้องตายตัวนี่หมายถึงว่าเฮ้ยจะให้สอนนี่นะตรงเท่านี้เท่านี้นะถ้าไม่ท่านี้ไม่เอาไไปอันนี้นะี่ยน่าเกลียดอันนี้เ น, นี่ยนะที่ศา ส, ะสะนาห้ามแล้วก็แลกเปลี่ยนหากินกับศาสนามีไหมที่คนชอบมีมีคนที่า ค, คาแบบนี้ก็มี แต่ส่วนมากเนี่ยนักศาสนาที่ซื้อตรงอนี่ยนะเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกแม้กระทั่งพวกกอรีนกอรีที่เขาที่เขาถูกจ้างให้อ่านกุรานอะไรเงี้ยนะบางทีนี่เขารับเท่าให้เท่าไหร่นี่เขาก็ เ, า เ, าเอ า, เ า, เาดดก็เอาเราเชื่อว่าหมม์ซินเนี่ยเอลมิเชลนี่เรียกไปอ่านกุรานที่บ้านคนรวย แล้วคนรวยเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้วเนี่ยเหรียญที่เป็นทองคํำนะแล้วก็เหรียญที่เป็นคอยเป็นเหรียญธรรมดาเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะหยิบเหรียญทองคำในมูลค่าสูงมากแต่เขาไปหยิบผิด <c oughs> ชีคคด่ยว่างสุดกับกระจับแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็ขับรถแต่นคนรวยนี่พอกลับบ้านก็ถอดเสื้อเอา้าเหรียญทองมันอยู่นี่เขาตั้งใจจะให้ชี่ยว่าก็เลยรีบนั่งรถไปห า, ช า, าเชี่ยวว่างมาสุดท้ายกันไปที่บ้านเขาเลยบอกว่าท่านครับผมผม ผระนนะนีผมก็ไม่แล้วผมรับรับการตอบแทนของพระเจ้ า, า, จาไปแล้วแต่อเขาไม่หากินกับกุรอ่านเขาอ่านกุรอ่านนี่เขาต้องงานผล <c oughs> ละบุญจากก้อนล็ใครจะให้ใครจะไม่ให้นี่เขาไม่ติดใจเรืนน่องนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราบอกว่ามีปัญหาแต่ในมุมกว้างกว่านั้นน่ะเราควรที่จะมองว่านักศาสนานี่เขาทำงานอาชีพเหมือนอาชีพทั่วไป คือเรามองว่าสังคมเนี่ยต้องการมีมีหมอไหมต้องการต้องการมีศัตวแพทย์ไหมต้องการต้องการมีวิศวกรไหมต้องการแล้วเรากําหนดว่าเงินเดือนของหมอนี่ต้องสูงเงินเดือนของวิศวกรนี่ต้องสูงสังคมต้องการศาสนาไหมเธอที่ตั้งคำถามสังคมต้องการศาสนาไหม คนที่เขาบอกไม่เห็นคุณค่าของผู้รู้ผู้รู้ศาสนานะสังคมไม่ต้องการศาสนาเขาอาจจะพูดลั่นวาจานะหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมของเข า, าหาครูสอนคณิตศาสตร์ครูสอนคณิตโอ้โหค่าละพันเนี่ยยังจ่ายเลยอะ่ะครูสอนสอนดนตรีมีนะ คนแบบว่าคนชนชั้นสูงนี่สอนหมดเลยทุกอย่างสอนสอนภาษาฝรัร่งเศสดนตรีสอนพูดอ่านด้วยเออพอกูสอนศาสนาหนี่สามข้าละสามบาทด้ยไมแพงเนี่ยทไมแพงอ่ะพอเขาไม่ต้องการศา ส, ะสะนาศา ส, ะสะนานีมันเป็นเรื่องปลายเป็นเรื่องไม่ค่อยสาคัญเป็นเรื่องประดับประดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ถ้าเราต้องการศาสน า, ามองศาสนาเนี่ยาก็เป็นอาชีพทั่วไป เราต้องการครูสอนศาสนาเพราะถ้าเราไม่มีศาสนาเนี่ยเรารู้ไงเราไม่มีครูมาสอนศาสนาลูกเรานีนอ่างกุฎอ่านไม่เป็นขอดุอาไม่เป็นละหมาดไม่เป็นอะไรไม่เป็นแล้วจะอยู่รอดหรออยู่ไม่รอดเช่นที่เราบอกว่าเออถ้าลูกเรานี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วไม่มีอาชีพไม่มีงานไม่มีทําเขาจะอยู่รอดไหมเราก็ยอมทุ่มเทนเรียนโรงเรียนดีๆเข้ามหาลัยดีๆเรียนคณะดีๆกํำลังสร้างอนาคต แต่จริงอนาคตของลูอนาคตที่มันไกลกว่านั้นอนาคตในวันเกียรมาด้วยนะสอนศาสนาอันนี้ใอนาคตสําคัญถ้าเราไม่เห็นคุณค่าตรงนี้นะ่ยนี่ช่วยไม่ได้สังคมต้องดูแลครูสอนศาสนาสวัสดิการครูสอนศาสนาเหมือนที่ดูแลอาชีพอื่นๆถ้าสังคมไม่ไม่ดูแลตรงนี้แสดงว่าสังคมไม่เห็นคุณค่าของศาสนาและนี่คือสภาพของสังคม เห็นคุณค่าทุกวิชาเลยยกเว้นวิชาศาสนาไม่เห็นคุณค่า